แนะนำบทอัลฮุจุรอตบทอัลฮุจุรอตถูกประทานลงมาหลังจากบทอัลมูยาดะละเป็นบทมาดเดียมีทั้งหมดสิบแปดองค์การถึงแม้ว่าบทนี้จะมีองค์การน้อยแต่มีความสำคัญทางด้านจริยธรรมมากเพราะประมวลไว้ด้วยข้อเท็จจริงในการอบรมที่เป็นอมตะไว้มากมายเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคง จำรับสังคมที่มีเกียรติเป็นบทที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลธรรมจงกระทั่งนักอธิบายกรานบางท่านถึงกับให้ชื่อบทนี้ว่าบทกิริยธรรมบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงมัญญติอันสูงส่งที่อัลลอฮ์ทรงชี้แนะและบรรมสั่งสอนบรรดาผู้ศรัทธาให้แสดงออกต่อบทบัญญัติของพรุงต่อคำสั่งของรอซูลของปรุง บทนี้ได้กล่าวถึงมัญญาตอันดีงามอีกอย่างหนึ่งคือการลดเสียงในการสนทนาหรือถามสิ่งใดกับท้ารสุลลาสลลัลลอฮฺอะลัยฮิสลลัมเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติท่านเพราะท่านมีฐานะและตำแหน่งไม่เหมือนปุถุชนธรรมดาจึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมจะต้องแสดงออกซึ่งการมีสัมมาคารวะต่อท่านจะสนทนาไต่ถามก็ต้องกระทำดิบ ยกการยย่องและให้ิบทนี้จบลงได้เรื่องราวของอารักชนที่เข้าใจเอาเองว่าการมี إ ي م านศรัทธานั้นเป็นเพียงวาจาคําพูดที่เปล่งออกมาเป็นการเพียงพอและพวกเขาได้มาหาท่ารอซูลลอสซอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัลลลลลมเพื่อลำเลิกบุญคุณที่พวกเขาได้เข้ารับนับถืออิสลมามอัลลอฮฺได้ทรงแจงข้อเท็จจริงของการศรัทธาและการเป็นอิสลาม อีกทั้งได้ทรงบอกกล่าวเงื่อนไขของการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ให้ทราบด้วยว่าผู้ศรัทธานั้นจะต้องเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยการศรัทธามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์องเดียวมีการต่อสู้เสียสละในทางข่ออัลลอห์ีการปฏิบัติที่ดีการที่บทนี้มีชื่อว่าอัลฮุยรอชก็เพราะว่าในบริเวณใกล้มสัส jid อันนบี ในขณะนั้นเป็นห้องหับที่บรรดาอุลมุลมุมินีนพันยาของท่านนาบีสุลลลลอวะเลวะสลัมได้ใช้เป็นที่พำนักอาศัยเชคอามาัดมุสตอฟาอัลมารรดีได้กล่าวไว้ในหนังสือตับซิดอัลมารรดีของท่านว่าห้องหับต่างๆ ด, งดังกล่าวนี้มีทั้งหมดเก้าห้อง หลังคามุงด้วยทางอินทภพล ม, มุงไว้เตียเต้ยไม่สูงนะักสามารถที่จะเอื้อมมือจับได้ต่อมาห้องหับเหลา่านี้อัลวลิดอิบนูอับดุลมาลิดใช้ให้ผนวกเข้าไว้ในบริเวณมัสิตของทัศรสุลลาสลลล้อเววาสลัมซึ่งประชาชนต่างพากันร่ำให้ด้วยความเสียดายและอาลัยซอิดอิบนูมูไซยับ กล่าวขึ้นในวันนี้ว่าฉันปรารถนาที่จะให้พวกเขาปล่อยมันไว้ตามสภาพเดิมเพื่อผู้คนชาวเมืองบัลีนะเมื่อได้เติบโตขึ้นมาตลอดจนผู้คนที่เดินทางมาจากต่างแดนจะได้พบเห็นว่าท้ า, าสวสลุลต่านสุลตลานละวะละสัลลำได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรจะได้ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นมีความสมถะมักน้อยไม่โอ้วกวดกันและไม่ประกวดประชันกันในการใช้ชีวิตอย่างผุ้มเฟือย ด, ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ الله الله โอบัรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้กระทำเกินหน้า เมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และอัซูลของพรงพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรับรู้ยาย์ฮัลดีนอามนูลาตรฟูอัซวาะทุมฟาวัซูตินนบีวะละตจฮรูละฮุบิลควลิคจฮริบังทุมลิบัดินอันทัหบัตออังมาดุลุม อุบัติภุสัตพาทั้งหลายพวกเจ้าจะได้ยกเสียงของพวกเจ้าเหนือกว่าเสียงของท่านนาบีและจะพูดเสียงดังกับท่านเยี่ยงการพูดเสียงดังของบางคนของพวกเจ้ากับอีกบางคนเพราะเกรงว่าการงานต่างๆของพวกเจ้าจะสูญสิ้นไปโดยที่พวกเจ้าจะไม่รู้สึกตัว ถ้าจึงบรรดาผู้ที่ลดเสียงของพวกเขานักศาสนาทูดของอัลลอฮ์ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบจิตใจ ของพวกเขาเพื่อความยำเกรงสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวงในปัลลอโลกถ้าจึงบรรดาผู้ส่งเสียงเรียกร้องเจ้าทางเบื้องหลังของห้องหักเหล่านั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ใช้สติปัญญา และหากว่าพวกเขาอดทนจนกว่าเจ้าจะออกมาหาพวกเขาแล้วแน่นอนมันย่อมเป็นการดีสำหรับพวกเขาแล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอยอ ت ت โอบานดาผู้สถทาทั้งหลายหากคนชั่วนำข่าวใดๆมาแจ้งแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็จงสอบสวนดูให้แน่ชัดเสียก่อนหาไม่แล้วพวกเจ้าจะก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไป และพวกเจ้าพึงรู้เถิดว่าในหมู่พวกเจ้านั้นมีรอซูลของอัลลอฮ์อยู่หากเขาโ ม, มัดเชี่ยวฝังพวกเจ้าในส่วนใหญ่ของกิจการแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะลําบากกันแต่เราทรงให้การศรัทธาเป็นที่รักแก่พวกเจ้าและทรงประดับมันไว้ในดวงใจของพวกเจ้า และทรงให้การปฏิเสธศรัทธาและความชั่วและการฝ่าฝืนเป็นที่น่าเกลียดชังแก่พวกเจ้าพวกเหล่านี้คือพวกที่ดำเนินอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องมันเป็นความล้นเหลือและความโปรดปรานจากอัลลอ์แต่อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ و َ إ ِ ط َ ا ئ ِ ف َ ت َ ا ن ِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ف َ إ ِ ن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ا ل ْ أ ُ خ ْ ر َ فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى ت ت َ ف ِ ئ َ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ف َ إ ِ ن ف َ ا ء َ ت ْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا อินและหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้สภาต่อสู้กันพวกเจ้าก็จงไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งพวกเจ้าก็จงจัดการกับฝ่ายที่ละเมิดจนกว่าฝ่ายนั้นจะกลับไปสู่พระบัญชาของอัลลอฮ์ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับสู่พระบัญชาของอัลลอฮ์แล้ว พวกเจ้าก็จงประณีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรมและพวกเจ้าจงให้ความเที่ยงธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายเถิดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ใหความเที่ยงธรรมทแท้จริงบรรดาผู้ศรานั้นเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นพวกเจ้าจงประนีประนอมกันระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้าและจงยำเกรงอัลลอฮเถิดหวังว่าพวกเจ้าจะรับความเมตตายาไอ้ฮลดีนอามนุลายบอมมิอมอนอซาอซายนขยมมิโุมลานิซาอุมมิ สักจะให้คุณขยิมนَ่นแَละว่าจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ทำก็จุ่ม่ได้ บางทีชนกลุ่มที่ถูกยเย่อเย้ยนั้นจะดีกว่าชนกลุ่มที่ยเย่ะเย้ยสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้ยเย่อเย้ยสตรีกลุ่มหนึ่งบางทีสตรีกลุ่มที่ถูกยเย่ะเย้ยจะดีกว่ากลุ่มที่ยเยะ่ะเย้ยและพวกเจ้าอย่าได้ตำหนิตัวของพวกเจ้าเองและอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาที่ไม่ชอบช่างเลวซามจริงๆที่บรรดาผู้ศรัทธาเรียกว่าเป็นผู้ฝา่าฝืนภายหลังจากที่ได้มีการศรัทธากันแล้วและผู้ใดไม่สํานึกผิด <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إ بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغت بعضكم بعضا أيحب ح د ك م أي أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكره ขบดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงออกห่างจากการสงสัยอันมากมายแท้จริงการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาปและพวกเจ้าอย่าสอดแนมและบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกันคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นชอบพี่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือพวกเจ้าย่อมเกลียดมัน และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดท้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอรภยยัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอยา أي الناس إن خلقناكم مذكر و أنفسا وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقا อออินลฮบโอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากเพศชายและเพศหญิงและเราได้ทําให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่าและตระกูลเพื่อจะได้รู้จักกันแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าณที่อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิง่งขาวเลิลอารับอามัน อารบชนบทกล่าวว่าเราได้สรทาแล้วจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าพวกเจ้ายังไม่ได้ศรัทธาแต่จงกล่าวเถิดว่าเราได้เข้ารับอิสลามแล้วเพราะการศรัทธายังไม่ได้เข้าสู่หัวใจของพวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามอาลัลลอห์และรอซูลของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะไม่ทำให้การงานของพวกเขาลดลงแต่ประการใดแท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั่นคือบรรดาผู้ศรัทธาเกาะล้อและรอซูลของโพร และพวกเขาไม่สงสัยเคลือบแคลงใจใดๆแต่พวกเขาได้เสียสละต่อสู้ดิ้นรนด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาไปในหนทางของ AH. อัลลอฮ์ชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาผู้พูดจริงจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าพวกเจ้าจะสอนอัลลอะ์เกี่ยวกับศาสนาของพวกเจ้ากระ น, น, นั้นหรืออัลลอะ์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแ ล, แล้วละนั้นทรงรู้ทุกสิ่งยมมมุุุนนน พวกเขาถือเป็นบุญคุณแก่เจ้าว่าพวกเขาได้รับอิสลามแล้วจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าอยากถือเอาการเป็นอิสลามของพวกเจ้ามาเป็นบุญคุณแก่ฉันเลยแต่ถ้าว่าล้อทรงประทานบุญคุณแก่พวกเจ้าต่างหากโดยชี้นาพวกเจ้าสูกาสา่การศรัทธาหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงอลบ a ล l a h ดัศีรุบิมาทำงาน a l ล a h ทรงรู้สิ่งเร้นลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและ a ล l a h ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ